ที่หลวงพ่อคำเขียนยังมีชีวิตอยู่หลายคนจะรู้สึกว่าตนโชคดีหรือมีบุญนะที่ได้พบท่านแต่จะเป็นบุญยิ่งกว่านะถ้าว่าได้สนทนากับท่านเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าเมื่อเทียกัาการได้พบท่านเพราะอาจจะพบท่านหรือเห็นท่านไกลๆแต่ว่าถ้าได้สนทนากับท่านนะอันนี้อาจจะรู้สึกใกล้ชิดกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอามีบุญมากกว่าแต่ว่าได้สนทนากับท่านนะมันก็ยังไม่ดีเท่ากับการเที่ยได้ สนทนาธรรมหรือฟังธรรมจากท่านเพราะการสนทนากับท่านก็จะสนทนาเรื่องร้อยแปอาจจะเรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องการสร้างกุฏิเสนาสน ะ, ะเรื่องการสร้างถนนสร้างทางซึ่งอันนี้หลวงพ่อท่านก็ใส่ใจแต่ว่ามันจะ ดีกว่าหรือรู้สึกเป็นบุญมากกว่านะท้าวได้สนทนาธรรมกับท่านเพราะว่าเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของแก่นสารในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหรือถึงไม่ได้สนทนาธรรมกับ ก, กับท่านแนตะ่ ก, ก็ได้ฟังธรรมจากท่านอันนี้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์นะยิ่งเกื้อกูล มากกว่าเพียงแค่ได้พบท่านเห็นท่านแต่ว่าเมื่อท่านได้จากไปแล้วนะหลายคนก็ได้แต่ระลึกถึงท่านการระลึกถึงท่านนี่ก็ก็เหมือนกับว่าท่านไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปไหนนะอยู่ในใจเรา แต่ถ้าว่าเราระรึกถึงแต่เพียงแค่รูปรขันธ์หรือเห็นเป็นภาพของท่านในความทรงจำของเรามันก็อาจจะเพียงแค่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความพลื้มปิติแต่ว่าก็ยังไม่เรียกว่าได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระหรือแก่นธรรมของท่าน ยังเรียกว่ายัางอยู่ห่างก็ได้จนกว่าจะได้สัมผัสกับสภาวะธรรมที่ท่านได้ประสบหรือท่านหรือที่ท่านได้ชินเนะยอันนั้นเนี่ยจึงจะประเสริฐกว่าหรือเป็นบุญยิ่งกวา่าเพียงแค่ได้เห็นท่านเนี่ยนะก็จะว่าไปแล้วก็ยังไม่ได้ เห็นท่านอย่างแท้จริงก็ว่าได้เพราะสิ่งที่เห็นก็เป็นเพียงแค่รู ป, ปรขันธ์ของท่านสิ่งที่เป็นเอกสารนะหรือถ้าผู้ภาษาสมัยใหม่คือตัวตนของท่านเนี่ยนั่นคือธรรมะที่ท่านได้เข้าถึงหรือสภาวะธรรมที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงนะ ภูมิธรรมภูมิปัญญาของท่านเห็นด้วยตาก็ยังไม่เรียกว่าได้เห็นอย่างแท้จริงบางบที่พระเจ้าได้ตรัสกับพบระวักกะลิว่าเนี่ยเพียงแค่เห็นท่านหรือแม้แต่จับชายจีวรของพระองค์เนี่ยนะก็ยังไม่ถือว่าได้เห็นพระองค์อย่างแท้จริง ตอเมื่อได้เห็นธรรมเนี่ยจึงจะเห็นเราตถาคตนะอันนี้ก็เป็นคําจ่ายของพระอาจารย์นะที่จ่ายกับพระวักกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าได้เห็นตถาคตหรือได้เห็นเราตถาคตนั่นคือไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าเห็นด้วยตาในหรือเห็นด้วยใจสัมผัสได้ด้วยใจเพราะว่าธรรมานี่มันมันไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตา แต่ว่าจะเห็นได้ก็ด้วยใจด้วยเพราะปัญญานะที่เข้าถึงธรรมอันนี้แหละคือการเห็นที่แท้จริงนะเห็นครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันนะมันก็ไม่ใช่เห็นรูปร่างของท่านเห็นรูปปั้นของท่าน แต่ว่าได้เห็นนะจึงที่เป็นสภาวะธรรมของท่านหรือว่าที่ท่านได้ชี้นะที่ท่านได้สอนอย่างนี้แหละนะจึงจะเรียกว่าเป็นเป็นบุญของเราอย่างแท้จริงนะถ้าเราได้เห็นถึงขนาดนั้นเราจะเห็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการปฏิบัตินะอาศัยการปฏิบัตินะ ด้วยนี้เนี่ยนะเวลาเรามาระลึกถึงหลวงพ่อคําเขียนเรามาบูชาคุณของท่านก็มีไม่ อ, อะไรประเสริฐเท่ากับการที่เรามาปฏิบัติตามคําสอนของท่านตามคําชี้แนะของท่านอันนี้เราว่าปฏบบบบิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติ สมัยก่อนเนี่ยในพระเท้โอิปุกตั้นชัว่าธรรมบูชานะปฏิบัติบูบบชานี่มนันเป็นเป็นคำที่มาทีหลังแต่ก่อนตั้นช้คําว่าธรรมบูชาบูชาธรรมเนี่ยไม่ใช่ด้วยอามิตรด้วยดอกไม้ทูบเทียนเครื่องหอมนะแต่ด้วยการปฏิบัติให้ธรรมนั้นมันเกิดขึ้นกับเนื้อกับตัวกับใจของเรา งั้เมื่อมาถึงวันที่เราระลึกถึงหลวงพ่อหรือว่าเป็นวันที่เขาเรียกว่าสมมติว่าเป็นการเป็นวันบูชาคุณของหลวงพ่อเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ประเสริฐเท่ากับการที่เรามาปฏิบัติหลังจากที่ได้ฟังทำจากท่านแล้วก็นำธรรมะที่ท่านสอนที่ท่านชี้แนะนั่นแหละมาปฏิบัติปฏิบัติที่ว่านี่นะหน้าที่สำคัญก็คือ การภาวนาหรือการทำกรรมฐานก็คือการฝึกจิตหรือบาเพ็ญเพียรทางจิตพวกเราก็ทราบดีนะว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการทำกรรมฐานหรือารภาวนาเนี่ยเป็นของดีเป็นของประเสริฐที่จะนำพาเราไปสู่จิงที่ประเสริฐประเสริฐยิ่งกว่าลาบดดรสรรเสริญ หรือว่าความสุขทางโลกหรือความสุขแบบลบโลกมันได้แก่มาความสงบเย็ น, นปลอดโปร่งจากกิเลสกลายจากความทุกข์แต่ก็ต้องตระหนักไว้อย่างหนึ่งนะว่านะเวลาเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับใจของเราหรือกับกายของเราหลายครั้งเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเช่นความหลงความฟุ้งความเครียดความทุกข์อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะเมื่อลงมือปฏิบัติอย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆเช่นความสงบความโปร่งโล่งเบาสบายนะ ความปรับพื้นปิติความสดชื่นแจ่มใสความตื่นรู้เบิกบานทางตรงข้ามนะสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเนี่ยมันก็คือความหลงความฟุ้งความเครียดนะบางทีอาจจะรวมไปถึงความร้อนรุ่มความกรัดกลุ่มความท้อแท้มันจะประดังประเดเข้ามาแต่ว่านั่นไม่ใช่เป็น ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคจะว่าไปามันกลับเป็นสิ่งที่ดีก็ได้สำหรับนักปฏิบัติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อเราได้เปลี่ย น, นให้เป็นสิ่งดีหลวงพ่อเขียนท่านจะพูดถคว่าเปลี่ยนอยู่ บ, บ่อยๆนะาบอกเนี่ยภาวนาคือการเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้เป็นความไม่หลงท่านจะพูดทํานองนี้บ่อยมากภาวนาคือการเปลี่ยนเพราะท่านรู้ว่าเนี่ยเมื่อเราลงมือภาวนาเนี่ยนะมันก็จะเจอความผิดเจอความฟุ้งเจอทุกข์เจอความโกรธเจอความหลงสารพัดแต่นั่นเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นของดีด้วยเพราะมันมาเพื่อ ฝึกให้เรารู้จักเปลี่ยนสุดท้ายก็เปลี่ยนแล้วให้กลายเป็นดีแั้นกปฏิบัติเนี่ยต้องวางใจให้ถูกนะเพราะมางคนมาเนี่ยด้วยความหวังด้วยความคาดหวังว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นความเบาสบายความรู้เนื้อรู้ตัวนะความตื่นรู้ความปลอดโปรง่งโล่งแจ่มใส แต่ว่าสิ่งที่เจอมันตรงข้ามแต่นั่นแหละนะก็คือหน้าที่ของเรานะที่เป็นนักภาวนาคือเปลี่ยนนะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้เป็นความไม่หลงต้อนรับสิ่งเหล่านี้ท่านนี้ก็บอกว่าเนี่ย นักภาวนาหรือนักปฏิบัติถ้าปฏิบัติเป็นนะจะยิ้มนะจะยิ้มให้กับความหลงจะยิ้มให้กับความทุกข์จะยิ้มให้กับความฟุง้งไม่ได้มีอาการหน้าดําครั่งเร่งหรือว่ามีอาการอรังเกียจหรือเกี่ยงงอนหรือว่า อยากจะรวมรันพันตูนะกับสิ่งเหล่านั้นเลยที่จริงกับตรงข้ามนะยิ้มนะมันหลงก็ยิ้มให้มันมันทุกข์ก็ยิ้มให้มันมันเครียด ก, ก็ยิ้มให้มันหรือถึงกับหัวเราะเลยนะหัวเราะความหลงหัวเราะความทุกข์หัวเราะความเครียดหัวเราะความฟุงนะ้งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่วัดนะถึง ความก้าวหน้าของนักปฏิบัติจะยังยิ้มให้กับความหลงไม่ได้ยิ่มยิ้มให้กับความทุกข์ไม่ได้ยิ่มยิ้มให้กับความเครียดไม่ได้นะยอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ก้าวหน้าไม่ใช่ว่าความก้าวหน้าคือไม่ฟุ้งไม่หลงไม่ทุกข์ไม่ใช่ความก้าวหน้าไม่อยู่ที่ว่าไม่ได้มีความคิดสารพัดไม่ใช่นะแต่อยู่ว่าอยู่ที่ว่าสามารถจะยิ้มให้กับมันได้ไหม เมื่อยิ้มให้กับมันได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราวางใจวางท่าทีได้ถูกกับสิ่งนั้นแล้วจากนั้นเนี่ยการเปลี่ยนนะทุกให้เป็นถูกเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกเปลี่ยนโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงก็จะเกิดขึ้นเปลี่ยนด้วยอะไรนะับเปลี่ยนด้วยสติเวลาหลงขึ้นมาเนี่ยนะมีสติเมื่อไหร่เนี่ย หลงก็กลายเป็นความไม่หลงเวลาโกรธเกิดขึ้นในใจมีสติเมื่อไหร่มีความรู้ตัวเมื่อไหร่นะมันก็กลายเป็นความไม่โกรธมีความเครียดมีความฟุ้งเมื่อไหร่พอมีสตนะิเห็นมันนะมันก็กลายเป็นตรงข้ามไปกลายเป็นความไม่ฟุ้งเป็นความไม่เครียดไปหลวงพ่ท่านซอนท่านหลวงพ่อท่าน สอนเน้นย้ำอยู่เสมอนะเจะ้าเราเป็นการให้กำลังใจพวกเราก็ได้นะเวลาปฏิบัติแล้วมันมีความหลงเยอะเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ผิดนะมันเป็นความรู้ต่างหาหลายคนพอปฏิบัติไปโอ้โหมันหลงฟุ้งมากเหลือเกินรู้สึกท้อแท้รู้สึกผิดหวังบางทีก็ลงโทษตัวเอง โบยตีกลาดเกลียวตัวเองเพราะฉันไม่ได้เรื่องฉันปฏิบัติไม่เอาไหนหรือว่าฉันไม่มีหวังนะที่จะภาวนาได้เพราะมันหลงเหลือเกินอันนี้พ่อไปคิดว่าหลงเนี่ยคือผิดนะแต่จริงมันคือความรู้ต่างหากหรือผู้อยจาร์นีคือมันคือสิ่งที่ควรรู้หลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้นะเช่นเดียโกรธเนี่ยก็ไม่ใช่ผิดนะมันเป็นสิ่งที่ควรรู้ ทุกก็เช่นกันนะไม่ใช่ผิดสิ่งที่ผิดมันคือความรู้หรือสิ่งที่ควรรู้ต่างหากเวลาหลงขึ้นมาน ะ, ะสิ่งที่ควรทำคือรู้ว่าหลงแค่ น, นี้ก็ถือว่าปฏิบัติแล้วแค่ น, นี้ก็ถือว่าทำถูกแล้วล่ะไม่ใช่ว่ไม่หลงเลยนะแต่ว่าพอมันหลงก็รู้ความหลงคือสิ่งที่ควรรู้เนี่ยข้อแรกคือรู้ ว่าหลงหรือรู้เมื่อมีความหลงเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าทำให้สติจเจริญก้าวหน้าและต่อไปเนี่ยก็รู้ว่าความหลงเนี่ยมันมีอาการหรือมันมีหน้าตาอย่างไรความหลงก็ดีความเครียดก็ดีความฟุ้งก็ดีความโกรธก็ดีความรับแค้นความเหงาพวกนี้เนี่ยมันก็มี อาการแตกต่างกันไปเราควรจะรู้ว่ามันมีอาการอย่างไรหรือว่าเรารู้ว่าหน้าตา ม, มันเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ควรรู้นะรู้ว่าความหลงนี่มันเป็นอย่างไรมันก่อให้เกิดอาการอย่างไรกับกายและใจเช่นเบอเบอนะเหมือนกับ สลึมสลือหรือว่าความโกรธเนี่ยมันมีอาการอย่างไรมันทําให้ร้อนเผาทําทให้หัวใจเต้นเร็วนะทำให้มือไม้เกรง็งความเบื่อความเซ็งเนี่ยมันมีอาการอย่างไรไอ้พวกนี้คือสิ่งที่ควรรู้นะเพราะว่าพอมันเกิดขึ้น เราก็จะรู้ทันได้ไวเวลาโกรธขึ้นมาแล้วโมันร้อนหัวใจเต้นเร็วแค่มารับรู้หัวใจที่เต้นเร็วแค่มารับรู้ลมที่หายจิตหายใจเข้าหายใจออกที่มันเรรวนหรือว่าหายใจถี่สั้นเนี่ยแค่มารู้ตรงนี้เนี่ยโอ้มันก็ช่วยทำให้ไอความโกรธเนี่ยมันกลายเป็นความไม่โกรธไปได้เหมือนกัน ความเครียดก็เหมือนกันนะมันมีอาการอย่างไรมันก่อให้เกิดอาการอย่างไรกับกายและใจนี่ก็สิ่งที่ควรรู้นะแล้วก็รู้ไปถึงขั้นว่าเออมันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับนะมันไม่เที่ยงแล้วก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่นะควรจะรู้ไปถึงขั้นนี้นะเพราะถ้าไม่รู้เนี่ยนะ ก็ไปยึดว่าหลงนี่คือเราเราหลงความหลงเป็นของเราเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ก็เกิดความสองคำมาหมาวว่าเราโกรธความโกรธเป็นของเรามันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นนะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทันทีแต่พอเรานะเห็นมันบ่อยหรือรู้จักมัน ดีขึ้นเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เราแต่ก่อนนี่เผลอเป็นเราทุกทีนะอันนี้เราไปถึงความเจ็บความปวดด้วยนะมันมาแล้วก็ไปถ้าเรารู้นะแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่บางทีเขาไปปรุงให้มันยืดยาวต่ออายุให้มันหรื อ, อยิ่งอันนั้นคือไปยึดว่าเนี่ยเราปวดความปวดเป็นของเราทั้งที่มันก็แค่ปวด กายหรือกายปวดเท่านั้นเองอันนี้แหละคือสิ่งที่คือความหมายที่หลวงพ่อพูดนะว่าเนี่ยความหลงเนี่ยมันไม่ผิดมันมคือความรู้ทางหาหรือเป็นสิ่งที่ควรรู้ทางหาและหน้าที่ของเราเนี่ยในฐานะนภาวนาคือมารู้ตรงนี้แหละแต่บางคนเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยไม่สนใจที่จะรู้ว่าความหลงมันเป็นยังไงมันมีลักษณะอย่างไรเพราะคิดแต่จะหวังความสงบหวังความ เอ่อโปร่งเบาหรือว่าหวังความผ่อนคลายใจกายพอเจออารมณ์พวกนี้ขึ้นมานะก็เกิดอาการ v วยวายตีโพยตีพายจริงถ้า่นเป็นนักปฏิบัติแท้จริงเนี่ยพอมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะใจมันสงบนะมันก็แค่ดูมันเฉย หรืออย่างที่ผัวสักรู้ว่าเออเห็นมันก็ยิ้มนะยิ้มให้ความหลงยิ้มให้ความทุกข์ยิ้มให้ความโกรธไม่ได้คิดตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับมันเวลาเห็นแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อท่านบอกนี่เออก็อืท่านก็ใช้ว่าอือคำว่าอือเนี่ยมันก็คืออาการที่วางเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าบวกหรือลบ ไม่ว่าดีใจเสีย ใ, ใจก็อือความสงบเกิดขึ้นก็อือไม่ได้ลิงโลดอะไรเวลาเกิดความฟุ้งเวลาเกิดความว้าวุ่นขึ้นมาก็อือมันก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในใจท่านบอกว่าเนี่ยถ้าอือเนี่ยนะมันคือวิปัสสนาก็คือการที่มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางด้วยความส่ขที่เป็นกลาง แต่ถ้าบอกโอ้ยโอยมันฟุ้งเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วมันเครียดเหลือเกินอย่างนี้ไม่ใช่พิปัสนาแล้วถ้าอยากจ ะ, ะฝึกให้เป็นพิปัสนานี้ก็ก็คื อ, อมไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นบวกหรือหรือเป็นลบจะฟูหรือแฟดจะสุขหรือทุกข์เราก็วางเฉยต่อสิ่งนั้น ก็แค่ดูเฉยๆหรือว่าเรียกว่าวางใจเป็นกลางต่อสิ่ง น, นั้นอันนี้แหละที่เรียกว่ารู้สื่อๆนะรู้สื่อๆรู้เฉยๆไม่มีการเลือกทิลักมักที่ชังว่าสุขเอาทุกข์ไม่เอาสงบเอาฟุ้งไม่เอาเอย่างนั้นนันมันก็เป็นแค่สมถะมีการเลือกทิลักมักที่ชัง แต่ว่าถ้าว่าเป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นก็แค่ดูมันหรือวางใจเป็นกลางเรียกว่ารู้สื่อๆรู้เฉยๆแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือยังยิ้มให้มันได้ไม่ว่าแม้ว่ามันจะเป็นอารมณ์อกุศลก็ตามเพราะรู้ว่านะมันมาให้เราเรียนรู้มันมีอะไรที่จะสอนเรามากมาย สอนเราให้เข้าใจนะถึงเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นทุกข์ของสรรพสิ่งทั้งรูปธรรมและนามธรรมแล้วสอนเราให้รู้ว่ามันไม่อะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยถ้าเรารู้จักวางใจแบบนี้น ะ, ะการที่เราจะ รู้จักรักษาใจรวมทั้งชีวิตของเราให้เป็นไปในทางสายกลางเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ง่ายทางสายกลางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปลนเปลอือด้วยกิเลสด้วยการมศอันที่เรียกว่าการมศขาริการยุโยกหรือว่าทรมานตน อย่างลือสีชีไพรที่โอดอาหารหรือว่ายืนขาดเดียวเป็นปีๆจนต้นไม้หรือเถาวัาเนี่ยพันทั้งร่างทั้งตัวเนี่ยอันนั้นมันมันก็ใช่นะมันเป็นทางสุดตรงที่ไม่ใช่ทางสายกลางแต่ว่าทางสุดตรงเนี่ยมันยังรวมไปถึงการที่เรา ปล่อยใจไปตามกิเลสหรือไม่ฉะนั้นก็บังคับจิตบังคับความคิดทางสายกลางคือไม่ต้านนะแล้วก็ไม่ตามความคิดมาก็ไม่ได้ตามมันเตอพื้เตอพื้แต่ก็ไม่ได้ต้านนะชนิดกฎข่มมันทางสายกลางคือไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเผลอนี่ก็ไม่ใชนะ่เพ่งก็ไม่ถูก แต่คือการรู้สื่อๆนะซึ่งก็เกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อเรารู้จักเห็นไม่เข้าไปเป็นอาการภาวนาเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยคือการฝึกให้รู้จักเห็นอันนี้ก็เป็นคำที่หลวงพ่อเนี่ยพูดบ่อยมากเลยเห็นไม่เข้าไปเป็นเราจะเปลี่ยนลงให้กลายเป็นความไม่หลง เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วคือมันต้องมีสติเพราะสติเป็นตัวเปลี่ยนแต่สติทําำท้าี่เปลี่ยนได้เพราะว่ามันคือตาในที่ทําให้เห็นเห็นแล้วไม่ค่อยไปเป็นเนมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันก็หลุดออกมาพาจิตหลุดออกมาจากอารมณ์นั้นไอ้ที่เคยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นมาเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรา ถอนใจออกมาอยู่องหางสิ่งที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไปความฟุ้งก็ถูกเห็นความกลัก ว, วก็ถูกเห็นความเครียดก็ถูกเห็นความสงบก็ถูกเห็นมันไม่มีการนะถาล่มเข้าไปกลายเป็นผู้เป็นและตรงเนี้ยที่มัทําให้เกิดความอิสระขึ้นมารวมทั้งทําให้เกิด การเรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติของอารมณ์ต่างๆและตรงนี้แหละหน้าที่มันจะพาไปสู่ภาวะที่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทรัพย์สินเงินทองผู้คนหรือว่าอารมณ์ภายใน ไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดแล้วก็ไม่เป็นปฏิปักษกับสิ่งใดมันเป็นเพราะอิสระอย่างแท้จริงซึ่งถ้าเราเข้าถึงภาวะเช่นนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเได้ได้เห็นหลวงพ่ออย่างแท้จริงได้เห็นสภาวะธรรมหรือได้เข้าถึงสภาวะที่เป็นแก่นแท้ของท่าน มันจะไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยตาเนี่ยเป็นการสัมผัสด้วยใจซึ่งก็จะทำให้เราตอนหนักว่าถ้าจริงหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วก็ยังอยู่กับเราเสมอแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉพาะเวลาเราลึกหรือคิดถึงท่านนะแต่ว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลาตรงนี้แหละหนะ้าที่ มันจะเป็นอ น, นิสงการบูชาคุณด้วยการปฏิบัติมันเป็นการบูชาคุณอย่างแท้จริงที่จะทำให้เรามีที่พึ่งที่แท้เพราะครูบาอาจารย์ก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาอาจจะเรียกว่าช่วยปกปักรักษาเราก็ได้ผ่านความรู้สึกตัวผ่านสติผ่านปัญญาที่เข้าใจ สัจย์จะทำความจริงของรูปธรรมนามธรรมตรงนี้แหละนะมันคือรางวัล น, นะของการบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะมันทาอยู่เสมอแม้ว่าจะลำบากเพียงใดแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเราวางใจให้ถูกเนี่ย อุปสรรคหรือว่านิวรณต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อสอนเราเพื่อเราได้เข้าถึงครูบาอาจารย์อย่างแท้จริงเย็นนี้กับพุทธรนีนะกลบะับ